บทที่29ิาปริศนาธรรมลงนาครับมีพระมาจากวัดไหนไม่ทราบมาหาหลวงนา้าผมบอกให้ท่านรออยู่ข้างล่างมีฝรั่งมาด้วยคนหนึ่งเด็กชายสำริดขึ้นมารายงานงั้นหรือหลวงน้าจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละเองไปเตรียมหาน้ำร้อนน้ำชามาถวายท่านด้วยเด็กชายลงมาเพื่อจัดการตามที่ท่านสั่งท่านพระครูเดินตามลงมาติดติด ครั้นเห็นอคันตุ ก, กะท่านออกตกใจรีบเข้าไปนั่งคุกเขา่าแล้วกราบสามครั้งนิมนต์ท่านเจ้าคุณนั่งบนอัสนะเถอะครับท่านนิมนต์พระอคันตุ ก, กะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางทรณ น, นไม่เป็นไรนั่งที่พื้นนี่แหละสบายดีเจ้าคุณพรมโมรีตอบและพูดกับฝรั่งที่มาด้วยว่านี่ท่านพระค ร, ะรูเจริญ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านเก่งทางสอนวิปัสนาบางทีท่านอาจจะตอบคำถามโยมได้บุรุษนั้นกราบเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้งท่านพระครูรู้สึกประทับใจที่เขากราบได้สวยงามยิ่งกว่าคนไทยบางคนเสียอีกเจริญพรโย ม, มาจากประเทศอะไรฟังภาษาไทยออกหรือเจ้าคุณพรโมโลีจิงตอบเสียก่อนว่า ไม่ใช่ฟังออกอย่างเดียวหรอกท่านพระครูเขาพูดได้ด้วยพูดชัดกว่าคนไทยบางคนด้วยซ้าออกเสียงรอเรือรอลิงชัดเจนดีงั้นหรือไปเรียนมาจากไหนล่ ะ, จะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามจากเพื่อนที่เป็นคนไทยครับผมเป็นชาวนอร์เวย์มาเรียนปริญญาโทภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเขาตอบ เสียงที่พูดชัดเจนสมกับที่เรียนภาษาไทยเข้ามาจากกรุงเทพมหาวัดที่จะบวชก็ถามมาตั้งแต่อยุธยาอ่างทองจนถึงสิงห์บุรีก็ยังไม่พอใจสักวัดมาถึงวัดกลางทรนินก็ยังไม่พอใจผมเลยพามาวัดป่ามะม่วงโยมดูที่อะไรล่ะเอาอะไรมาตัดสินว่าจะบวชวัดไหน ท่านพระครูถามผมใช้วิธีเรียนถามปัญหาท่านเจ้าอาวาสครับถามมาสิบกวัดแล้วยังไม่ได้คำตอบที่ผมพอใจบุรุษผู้มาจากต่างแดนตอบสำหรับผมไม่กล้าตอบเพราะกลัวจะผิดเลยต้องพามาหาท่านพระครูเจ้าคุณพรมโมลีสารภาพคำถามมีว่าอย่างไรล่ะ อาตมาก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบได้หรือเปล่าเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงออกตัวไว้ก่อนคำถามมีดังนี้ครับอะไรเอ่ยสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปท่านพระครูกำหนดจิตคิดหนอในใจแล้วจึงตอบว่าตัวเราพร้อมทั้งอธิบายว่า เราตั้งอยู่ได้หรือมีชีวิตอยู่ได้ด้วยธาตุสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงเรียกว่าสี่คนหามส่วนสามคนแห่หมายความว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ถูกกิเลสสามตัวคือโลภะโทสะโมหะชักจูงไปหนึ่งคนนั่งแคร่ก็คือจิตหรือวิญญาณสองคนพาไปก็คือบุญกับบาป เมื่อเราตายลงก็จเหลือแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะพาเราไปปะโลกอัตมาตอบอย่างเนี้ยคนถามไม่บอกว่าท่านพระครูตอบมานั้นถูกหรือผิดหากพูดขึ้นว่าผมขออนุญาตมาบวชที่วัดนี้นะครับโยมเป็นชาวต่างประเทศจะบวชได้อย่างไรอีกประการหนึ่งก็ต้องขออนุญาตพ่อแม่ด้วยท่านพระครูติง ไม่ต้องห่วงรราครับท่านพระครูผมจะให้ผู้หมวดชมเป็นเจ้าภาพบวชให้เมื่อตำรวจเป็นเจ้าภาพบวชตำรวจที่ไหนจะมาจับจริงไหมเจ้าคุณพรหมโมลีหาทางออกให้จริงครับแล้วเรื่องการอนุญาตจากพ่อแม่ละ่ะประเทศผมถือว่าถ้าอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพ่อแม่ สามารถตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตัวเองครับแต่ถ้าท่านพระครูต้องการให้อนุญาตจริงๆผมก็ได้รับอนุญาตจากปู่แล้วครับปู่ผมเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยออสโลประเทศนอร์เวย์พ่อผมเป็นวิศวกรส่วนแม่ผมเป็นเลขานุ ก, การอธิบดีของมหาวิทยาลัยออสโลครับ เขากราบเรียนให้ท่านพระครูทราบถึงเทือกเขาเหล่ากอของตนปู่อนุญาตหรือท่านพระครูถามครับก่อนมาปู่สั่งผมว่าหลานไปเมืองไทยให้เอาดีมาฝากปู่ด้วยผมถามท่านว่าของดีที่ว่านั้นคืออะไรท่านไม่ตอบเพียงแต่บอกว่าผมมาถึงเมืองไทยแล้วจะรู้เองบัตรนี้ผมรู้แล้ว ของดีก็คือพระพุทธศาสนาครับพูดด้วยศรัทธาภาษาทะาตกลงถ้าเช่นนั้นอาตมาก็อนุญาตให้บวชได้ขอบพระคุณครับเขาก้มลงกราบเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้งและพูดว่าผมจะกลับไปทำเรื่องขออนุญาตมาจากมหาวิทยาลายัยเสร็จแล้วจะรีบกลับมานะครับจะไปเลยหรืออาตมายังไม่รู้เลยว่าโยมชื่ออะไร จะมาบวชก็ต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันก่อนผมชื่อวิกโก้บุลนครับวิกโก้เป็นชื่อส่วนบุลเป็นนามสกุลครับนายวิกโกบุลหายไปประมาณสิบห้าวันกลับมารายงานท่านพระครูว่าได้จัดการทำเรื่องของอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะบวชสมภารวัดป่ามะม่วงจึงจัดการให้เขาท่อง ขาหน้าบุรุษผู้มาจากต่างแดนท่องด้วยความตั้งใจสามชั่วโมงให้หลังก็ท่องได้ขึ้นใจจนท่านพระครูออกปากชมตั้งแต่อาตมาเป็นอุปชายังไม่มีลูกศิษย์คนไหนจำดีเท่าโยมเลยไม่น่าเชื่อ แค่สามชั่วโมงจำได้หมดเก่งกว่าคนไทยเสอีกเก่งจริงๆท่านยำ้ำขอพระคุณครับเขาประนมมือไหว้ถึงวันบวชร้อยตำรวจโทชนจินตนาได้เป็นเจ้าภาพบวชให้มีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากในอำเภอพรมบุรีก็มาร่วมงานด้วยเวลาแปดนาฬิกา ท่านพระครูจัดการโกนผมให้บุรุษผู้มาจากต่างแดนนายวิโก้เหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นญาติวงพงษาของตนแม้แต่คนเดียวมีแต่คนไทยที่พากันมาดูฝรั่งบวชความอ้างว้างว้าเวเข้าครอบงำจิตใจถึงกั้นต้องร้องไห้ออกมาอ้าวร้องไห้ทำไมาล่ะ ว, วิโก้ท่านพระครูถามอย่างปราณีผมคิดถึงปู่ และพ่อแม่พี่น้องทางนอร์เวย์ครับอยากให้ท่านมาร่วมพิธีตอบทั้งน้ำตาไม่เป็นไรบวชแล้วปฏิบัติมากๆจะได้ส่งบุญกุศลไปให้เขาได้หรือว่าจะโทรจิตไปก็ยังได้โทรจิตหรอครับถามอย่างสนใจถูกแล้วถ้าเราฝึกจิตให้ถึงขั้น ก็จะสามารถทรจิตไปไหนๆก็ได้ถ้าเช่นนั้นผมจะเพียรพยายามจนสามารถทรจิตได้พูดอย่างมุ่งมั่นอัตมาก็มั่นใจว่ายโยมจะต้องทําได้ดูหน้าก็รู้แล้วว่าทําได้ถึงเวลาแห่หน้ารอบโบสร้อยตำรวจโทชนจินตนาเป็นผู้อุ้มบาตรคุณนายนงนาศผู้เป็นภรยาเป็นคนอุ้มผ้าไตร ส่วนในอำเภอรพรมบุรีถือตลปัดท่านพระครูแม่อนุญาตให้มีการรำกลองยาวหรือว่าแห่สิงโตขณะเวียนรอบโบสถ์แต่ให้สวดพระพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณแทนนอกจากนี้ท่านยังห้ามดื่มสุรายังเด็ดขาดผู้ใดดื่มสุราขณะเวียนรอบโบสถ์ถือว่าผู้นั้นไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาต้องได้รับกรรมซึ่งจะตกทอดไปถึงลูกหลานนั่นคือทำให้ลูกหลานปัญญาอ่อนไม่สามารถเรียนให้ถึงระดับปริญญาได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเจ็ดชั่วคนพระวิโกปฏิบัติสมณกิจได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการจึงไม่ได้ทําความหนักใจให้แก่อุปชาแต่อย่างใดท่านพระครูแอบชื่นชมพระนุ่มผู้ซึ่งแม้จะเป็นชาวต่างชาติ อุตสามข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาของดีในเมืองไทยแต่กลับตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีกว่าพระไทยหลายร้อยหลายพันลูกพระวิโก้ปฏิบัติวิปัสนาทุกวันโดยท่านพระครูอนุญาตให้ไปปฏิบัติตามลำพังในโบสถ์พระหนมได้ขอร้องท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับผมอุตส่าห์ข้ามน้าข้ามทะเลมาไกลหลวงพ่อต้องให้เวลาผมวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับ สามทุ่มถึงสี่ทุ่มของทุกคืนผมขออนุญาตมาสอบอารมณ์กับหลวงพ่อที่กุฏิและช่วงเวลานี้หลวงพ่ออย่าไปไหนนะครับตกลงหลวงพ่ออนุญาตแต่ว่าถ้าวันไหนเกิดติดธุระก็จะหาเวลาชดเชยให้ก็แล้วกันดีไหมดีครับผมขอกราบขอบพระคุณท่านก้มลงกราบสามครั้ง นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระวิโก้ก็มาให้ท่านพระครูสอบอารมณ์อย่างสม่ำเสมอคืนวันหนึ่งท่านถามอุปชาว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับรอบวัดเนี่ยกี่ก้าวหลวงพ่อเคยเดินหรือยังครับไม่รู้สิหลวงพ่อไม่เคยนับแล้วก็ยังไม่เคยเดินรอบวัดท่านพระครูตอบออกรู้สึกว่าสิทธามอะไรแปลก ผมเดินรอบแล้วครับเดินจงกรมรอบวัดแล้วก็นับด้วยว่ามีกี่ก้าวมีกี่ก้าวละ่ะผมยังไม่ตอบหรอกครับไว้หลวงพ่อเดินเองก็แล้วกันผมอยากทราบว่าจะนับได้เท่ากับที่ผมนับหรือเปล่าหลวงพ่อคงไม่มีเวลาหรอกคุณนี่มีอะไรประหลาดประหลาดขึ้นทุกวันหลวงพ่อติหรือชมนี่ครับคิดเอาเอง ผมคิดว่าชมครับแต่ถึงหลวงพ่อจะติผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะหลวงพ่อเป็นอุปชาอาจารย์ของผมหลวงพ่อกำลังอ่านอะไรอยู่ลระครับท่านถามเมื่อเห็นท่านพระครูอ่านกระดาษแผ่นสีขาวด้วยใบหน้าเคร่งเครียดแทนคําตอบสมภารวัดป่ามะม่วงส่งกระดาษแผ่นนั้นให้คนเป็นศิษย์วิโก้รับมาอ่านและพูดขึ้นว่าทำไมคนไทย ถึงใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องล่ะครับผมเป็นชาวต่างประเทศแท้ๆยังใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องกว่าคนไทยเสอีกอย่างรายเนี่ยเขียนมาว่านิมนต์ท่านพระครูไปสวดพระพุทธมนต์ในงานแต่งงานควรใช้ว่าไปเจริญพุทธมนตในงานมงคลสมรสผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องเออพรุ่งนี้เขานิมนต์หลวงพ่อไปฟังสวดอภิธรรมศพ วิโก้จะไปด้วยไหมจะได้ไปศึกษาวัฒนธรรมไทยเป็นกําไรชีวิตขอบพระคุณครับผมขออนุญาตติดตามไปด้วยเงียบกันไปครู่หนึ่งพระวิโกก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมมีคู่รักคนไทยชื่อนางสาวราตรีเรารักกันมานานหลายปีตั้งแต่เรียนอยู่ต่างประเทศด้วยกันผมอยากเรียนถามหลวงพ่อว่า เราจะได้แต่งงานกันหรือไม่เขาเป็นเนื้อคู่ของผมหรือเปล่าอุปชามองหน้าลูกศิษย์พรางกำหนดเห็นหนอแล้วท่านก็เห็นว่าเนื้อคู่ของบุรุษผู้นี้ต้องเป็นง่อยเปรี้ยเสียขาหาใช่นางสาวราตรีไม่แต่ถ้าบอกให้เขารู้ก็จะเป็นการไม่สมควรจึงพูดว่าอยากรู้ก็ให้ปฏิบัติมากๆและจะรู้ได้ภายในสามวันนี้ วันรุ่งขึ้นตอนคำ่ำพระวิโก้ก็ได้ไปงานสวดพระอภิธรรมกับท่านพระครูที่บ้านหลังหนึ่งที่ตัวเมืองขณะที่พระสงฆ์สีรูปกำลังสวดพระอภิธรรมบรรดาแขกเหลือรวมทั้งเจ้าภาพต่างคุยกันแข่งกับเสียงพระสวดมิหนำซ้ำยังดื่มสุราจนหน้าแดงตาแดงไปตามๆกันพระวิโก้กระซิบกับท่านพระครูว่า แบบนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องนี้ครับเป็นชาวพุทธทำไมถึงเสพสุรายาเมาประเดี๋ยวผมจะต้องคุยกับเจ้าภาพสักหน่อยคนไหนครับเจ้าภาพนั่นไงนั่งคุยเสียงอ้อแแอแข่งกับพระสวดนั่นก็เจ้าภาพมาเป็นเสเองแล้วแบบนี้จะไปว่าแขกเหลือได้อย่างไรผมว่าพวกเขาางไม่รู้กาลเทศะกันเสียเลย เมื่อการสวดอภิธรรมเสร็จสิ้นลงและพระภิกษุสีรูปกรับวัดไปแล้วเจ้าภาพกับแขกเหลือที่ยังไม่กรับก็ตั้งวงเล่นการพนันกันไม่มีผู้ใดสนใจท่านพระครูและพระฝรั่งที่มาด้วยพระวิโก้อดรนทนไม่ไหวจึงเข้าไปถามเจ้าภาพว่าโยมขอโทษเถอะคนตายน่ะเป็นอะไรกับโยมเป็นพ่อผมนาเซท่านถามทาไม อาตามาอยากรู้แล้วพ่อโยมตายแต่โยมมาดื่มเหล้าเล่นการพนันต่อหน้าศพแบบนี้พ่อโยมจะได้บุญหรือได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรกับลือละ่ะพูดมากเดี๋ยวพ่อบุรุษนั้นชูกมปั้นใส่หน้าพระวิโก้ท่านพระครูเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปบอกพระนมว่ารับวัดกันเถอได้เวลาสอบอารมณ์แล้วและบอกกับบุรุษนั้นว่า อาตามาลาแลนะพระวิกโก้ทำพิษซะแล้วท่านพูดประชดคนเป็นเจ้าภาพทั้งที่รู้ว่าเขาไม่สำเนียกเพราะกำลังเมาคืนต่อมาขณะไปรับการสอบอารมณ์จากท่านพระครูพระวิกโก้ได้พูดขึ้นว่า หลวงพ่อครับเมืองไทยร้อนยุงก็เยอะผมอยู่เมืองไทยไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นผมจะไม่แต่งงานกับนางสาวราตรีเนื้อคู่ของผมเป็นคนจีนเธอเป็นง่อยครับน้ำเสียงที่พูดฟังดูเศร้าส้อยไม่เป็นไรนะวิโก้เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณอย่างไรเสียก็ต้องแต่งงานกันถึงร่างกายเขาจะพิการ แต่จิตใจไม่พิการคุณจะมีความสุขเมื่อแต่งงานกับเขาส่วนนางสาวราตรีไม่ใช่เนื้อคู่กันท่านพระครูพูดปลอบใจผู้เป็นสิทธิ์พระหนมรู้สึกสบายใจขึ้นปรับอารมณ์ได้แล้วจึงถามอุปชาว่าหลวงพ่อครับผมสามารถส่งโทรจิตได้หรือยังครับพรุ่งนี้วันที่17พฤษภาคมเป็นวันชาติของนอร์เวย์ ผมอยากทรจิตไปหาปู่พ่อแม่แล้วก็เพื่อนสนิทอีกสามคนท่านพระครูมองหน้าลูกศิษย์ก็รู้ว่าเขาทำได้จึงตอบว่าหลวงพ่อดูหน้าคุณแล้วรู้สึกว่าทำได้ลองดูนะครับพรุ่งนี้เช้าผมจะไปปฏิบัติในโบสถ์เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วผมจะแผ่เมตตาใช่ไหมครับถูกแล้ว ถ้ากุศลถึงรับรองว่าได้ผลแต่ถ้ากุศลยังไม่ถึงก็ต้องเพียรพยายามให้มากขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นพระวิโก้ก็ปฏิบัติตามที่ได้กราบเรียนท่านพระครูเอาไว้หลังจากนั่งและเดินอย่างละหนึ่งชั่วโมงแล้วท่านก็ทำจิตให้บริสุทธิ์เบิกบาน แล้วอธิษฐานว่าวันนี้เป็นวันชาติของข้าพเจ้าแม่ของข้าพเจ้ากําลังป่วยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บาเพ็ญมาโดยการบวชเป็นพระในบวรพระพุทธศาสนาและเจริญวิปัสสนากรรมฐานขออานิสงส์นี้จงช่วยให้แม่ของข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ปู่ของข้าพเจ้าที่ต้องการให้หลานเอาดีไปฝาก บัตรนี้หลานได้ของดีแล้วโปรดรับทราบด้วยและประการสุดท้ายขอให้เพื่อนสามคนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันจงมีความสุขเดือนต่อมาขณะที่พระวิโก้กำลังกวาดลานวัดอยู่เพื่อนคนไทยเที่ยวเรียนปริญญาโทด้วยกัน ก็นำจดหมายมาให้จดหมายมาติดอยู่ที่คณะสิบกว่าวันไม่มีใครรู้ว่าท่านมาบวชอยู่ที่วัดนี้กระทั่งผมไปพบจึงนำมาให้เขากราบเรียนและรีบขอตัวลากลับพระวิโก้เปิดซองดึงจดหมายออกอ่านความปลาบปลื้มใจทําให้น้ําตาไหลพรากพรากพิกษุหนมขึ้นไปหาอุปชาบนกุฏิส่งจดหมายให้ท่านแล้วพูดว่า จดหมายจากแม่ผมครับทุกคนได้รับโทรจิตที่ผมส่งไปท่านพระครูรับจดหมายฉบับนั้นมาดูแล้วมองหน้าคนเป็นสิบเห็นเขาดีใจจนน้าตาไหลออกตาจึงพูดขึ้นว่าไปอาบน้าอาบท่าให้สบายใจก่อนแล้วค่อยมาอ่านให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่ออ่านภาษาอร์เวไม่ออกพระวิโก้กราบสามครั้งแล้วจึงกลับไปที่กุฏิของตน ส่งน้ำเรียบร้อยแล้วจึงไปหาอุปชาอีกครั้งท่านพระครูส่งจดหมายฉบับนั้นให้ลูกศิษย์สั่งให้ช่วยอ่านภาษาทไทยให้หลวงพ่อฟังซิครับผมจะแปลให้หลวงพ่อฟังวันที่17พฤษภาคมคลิสสร์ักราช 1,967 เวลาสามทุ่ม20นาทีเวลาตรงกับที่ผมโทรจิตไปเลยครับหลวงพ่อ เพียงแต่ว่าที่นี่เป็นเวลากลางวันที่นู้นจะเป็นกลางคืนท่านอธิบายอ่อแล้วปีคศ1967ก็คือพศ2510ใช่ไหมครับงั้นก็อ่านต่อได้วิโก้ลูกรักวันนี้เป็นวันชาติของเราเพื่อลูกสามคนได้มาทานอาหารเย็นที่บ้าน และคุยกับพ่อและปู่อยู่ในห้องรับแขกส่วนแม่กำลังไม่สบายจึงได้แต่นอนฟังเขาคุยกันอยู่ในห้องแต่พอเขาคุยกันถึงลูกแม่ก็จิตใจชุ่มชื่นรู้สึกมีแรงขึ้นทันทีลุกออกมาร่วมวงกับเขาปู่ของลูกได้พูดขึ้นว่าป่านี้หลานของฉันได้พบของดีหรือ ย, ยังหนอทันทีที่ปู่พูดจบพวกเราทั้งหกคนคือ ปู่พ่อแม่และเพื่อนของลูกอีกสามคนก็ได้เห็นผ้าเหลืองลอยมาแวบหนึ่งแล้วหายไปในชั่วพริบตาปู่ของลูกปลื้มใจจนน้ำตาไหลบอกพวกเราว่าหลานของปู่ได้พบของดีในเมืองไทยแล้วแม่จึงรีบเข้าห้องมาเขียนจดหมายถึงลูกนหละจะัจ้ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับหลวงพ่อผมไม่คิดว่า จะได้มาพบสิ่งมหัศจรรย์ที่เมืองไทยผมโชคดีใช่ไหมครับถูกแล้ววิโก้โชคดีโชคดีกว่าคนไทยอีกหลายแสนหลายล้านคนที่เขาอยู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ยังไม่เคยสัมผัสกับของดีที่อยู่ใกล้ตัวส่วนวิโก้อยู่ถึงต่างแดนยังมาได้ของดีนี้ท่านพระครูให้รู้สึกเสียดายแทนคนไทยพุทธ ที่ไม่รู้จักถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ตนมีพระวิโก้บวชได้45วันก็ลาสิกขาหลังจากลาสิกขาแล้วก็อยู่ปฏิบัติอุปชาอีกเจวันคอยติดตามรับใช้ท่านพระครูไปทุกคนทุกแห่งวันแรกของการลาสิกขา เขาได้นำทูบเทียนแผ่ไปกราบขอบคุณร้อยตำรวจโทชนจินตนาและในอำเภอพรมบุรีที่เป็นเจ้าภาพบวชให้นอกจากนี้ยังไปขอบคุณญาติโยมที่ใส่บาตรให้ชั้นในช่วงที่เป็นพระภิกษุวันหนึ่งท่านพระครูได้รับนิมนต์ไปในงานทำบุญบ้านของลุงซัพ์ผู้เป็นพี่ชายโยแม่ของท่านโดยมีนายวิโกเป็นผู้ติดตาม ชายหนุ่มถือกล้องถ่ายรูปไปด้วยบ้านลุงรับมีต้นมะม่วงต้นมะปรางต้นมะนาวขึ้นเต็มไปหมดทําให้บริเวณบ้านมืดคลึม้มตอนลุงรับจะใส่บาตรท่านพระครูบอกให้นายวิกโก้ช่วยถ่ายรูปให้ถ่ายไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อกล้องไม่มีแฟลกเขากราบเรียนเอาเธอน่าลองถ่ายดูก่อนถ่ายให้อธิษฐานจิตว่า ข้าพเจ้าเพิ่งศึกใหม่ๆเมื่อบวชตั้งใจจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขอให้จิตของข้าพเจ้านี้จงบังเกิดเป็นแสงสว่างได้ลองทำดูชายหนุ่มทำตามอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็กดชัตเตอร์ครูใหญ่จึงดึงรูปออกมาจากกล้องปรากฏไว้ได้ภาพที่ชัดเจนและสวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์มหัศจรรย์เหลือเกินครับหลวงพ่อ ชายหนุ่มพูดอย่างตื่นเต้นนี่แหละอำนาจแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างได้พระพุทธองค์ตรัสว่าปัญญาโลกาสมิปัโชโตปัญญาเป็นดวงชัชวานในโลกท่านพระครูอธิบายบรุษวัยสี่สองรู้สึกปิติจนน้ำตาไหลเขาได้พบของดีในเมืองไทยมากมายเหลือเกิน